สเปสัต์ตาศาสตว์ทั้งไลยที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราฮุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแล่กันเลย อปยาปชาหฮนดูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปยาบาดเบียดเบียนซึ่งกันแด้กันเลยอานี่คาฮนดูยงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังบริหารันตูวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้น